ในพระสูตรนี้พระองค์ต้องการแสดงให้เห็นประโยชน์ของการมีกาลยานามิตรเนี่ยนะซึ่งอธิคถาก็ยกมาที่บายว่ากาลยานามิตรนั้นมีความสำคัญมากสมัยหนึ่งท่านพระ น, นเนี่ยนะอยู่ในที่เงียบที่หนึ่งท่านก็เลยคิดว่าเอ๊กาลยานามิตรเนี่ยนะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยเห็กาลยานมิตรเนี่ ย, นะร ย, าายครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยนะ หมายถึงว่าการที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะกาลยานมิตรเนี่ยห้าิอร์เซ็นต่างนั้นเถอะคือกาลยานมิตรนี่ครึ่งหนึ่งของความสําคัญทั้งหมดของการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งเลยเนี่เป็นอนุภาพของกาลยานมิตรพอคิดเสร็จแล้วก็แต่ก็ยังไม่สรุปนะก็ยังเอ๊ะมจริงหรือเปล่าก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งพระนนก็ถามว่าพระพุทธเจ้าข้า กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เกึ่งหนึ่งอ่ะนะเกือกหนึ่งก็บเราครึ่งกัลยาณมิตรเนี่ยคือเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเนี่ยความเป็นผู้มีมิตรดีเนี่ยนะครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ความเป็นผู้มีสหายดีเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์การที่เราโน้มน้าวน้อมเราตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยมันครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เป็นครึ่งหนึ่งของการบรรลุมรรคผล อย่านัเออน่าขึ้นใช่ไหมโอ้การปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งตัวเราเองครึ่งหนึ่งอย่างละห้สิบรรลุอย่างนั้นะพระพุทธเจ้าเห็นด้วยไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอานนท์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยอานนท์กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของอะไรของอาธิศีลกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของอาธิจิตกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของ อธิปัญญาเนี่ยนะหมายความว่าบุคคลจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่มิตรนะอยู่ที่มิตรทั้งหลายเนี่ยนะกุศลจะเจริญหรือกุศลจะเสื่อมก็อยู่ที่มิตรอย่างที่พระองค์อธิบายว่าอานน์เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้มีมิตรงามผู้มีสหายงามหรือภิกษุผู้มีกาลยานามิตรโน้มไปในกาลยานามิตรพึงหวังได้เฉพาะว่าเธอจักเจริญจักกระทำให้มากซึ่งอริยมัสมีองค์แปด ถ้ามีมิตรงามมีสหายงามเนี่ยน ะ, ะจักเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นไงถ้าเรามีมิตรงามมีสหายงามเราจะอาศัยมิตรสหายนั่นแหละเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละอาศัยกาลยานมิตรนั่นแหละแล้วเจริญสัมมาสังกปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะ น้อมไปเพื่อการสละเนี่นะอาศัยกัลยาณมิตรนั่นแหละเจริญสัมมาวาจาสัมมากรมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกัลยาณมิตรอาศัยกัลยาณมิตรได้มิตรดีมิตรงามเนี่ยนะหวังได้เลยว่าเขาจะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 อ น, อนนท์เพราะเหตุดังนี้แหละเธอเพึงทราบเธอว่ากาลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์มิตรดีสหายดีเพื่อนดีนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์เนี่ยนะก็จริงอะนะเพราะว่ า, ว า, วาคือเราเข้าไปคบผู้ใดเนี่ยเราก็จะมีทิฏฐิคล้อยตามกับผู้นั้นเราไปพูดคุยกับคนใดมากๆเกีเ่ยวข้องกับคนใดเราก็มีแนวความคิดที่จะน้อมไปหาบุคคลนั้นคิดง่ายอย่างภาษาพูดเนี่ยเห็นชัดเลยว่า ถ้าเราไปพูไปไปคลุกคลีกับคนประเทศใดเนี่ยได้ไม่นานเราก็จะพูดภาษาของคนประเทศนั้นถิ่นนั้นเนี่ยนะในที่สุดเราก็พูดภาษาของเขาไปตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพราะแสดงว่าจริตนิสยัยพฤติกรรมทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่คนรอบข้างนะประเพณีวัฒนธรรมการแต่งตัวเป็นต้นก็อยู่ที่คนรอบข้างเพราะฉะทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะทัศนคติทั้งหลายเนี่ยก็มาจากเนี่ยมาจากมิตรมาจากเพื่อนคําว่าเพื่อนก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะ อานุนความที่กาลยาน TA. มิตรเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีผู้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นเนี่ยความที่กาลยานมิตรมีมิตรดีมีสหายดีเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยอนนอย่างเช่นอานุนสัตว์ผ <the> ู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าคือเราเนี่ยนะผู้เป็นกาลยานมิตรย่อมพ้นจากชาติตัวเขาเองเป็นคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยกาลยานมิตรคือพระพุทธเจ้า พ้นจากการเกิดคือปกติตัวเองเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดาเลยไม่รู้จะออกจากไม่รู้จะพ้นจากความเกิดได้อย่างไรแต่ไปพึ่งพิงอาศัยพระพุทธเจ้าแล้วพ้นจากการเกิดสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเข้าไปอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วพ้นจากความแก่สัตว์ทั้งหลายมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรแล้วย่อมพ้นจากความ โสกสัตว์ทั้งหลายมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเป็นเป็นธรรมดาเข้าไปอาศัยพระพุทธเจ้าแล่เพี่ยมพลจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตเป็นธรรมดาพันสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะมีทุกอย่างลงแล้วทํำฉนัยการทำที่สุดแห่งทุกจะพึงปรากฏชัดแก่เราได้มองเห็นแต่ทุกอยู่นําหน้าไปหมดทํำยังไงจึงจะพ้นทุก แต่เมื่อมีความทุกข์อย่างนี้เข้าไปอิงเข้าไปพึ่งพิงเข้าไปอาศัยพระพุทธเจ้าผู้ทางสารานังข้าฉามิด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจพระองค์ก็บอกหนทางเพื่อให้เราปฏิบัติเพื่อพ้อนจาก ช, ชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกภโทมนัดและอุปายาตเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ กัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของการเจริญสติปฐานสัมมาปธานอิทิบาทอินทรพละโพชฌงและองค์มักกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดที่จะเป็นเหตุสำคัญให้ได้โสดาปติมัคสกทาคามิมักอนาคามิมักและ อรหัตตมรรคพันวิสัยของผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายจําต้องอาศัยกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจำเป็นต้องอาศัยกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ในวิสัยของตนได้อย่างที่พระอ่านะพระรูปหนึ่งที่อยู่ในปรายนวัตรเนี่ยนะเป็นหนึ่งองค์ก็บอกว่าข้าพระองค์ถ้าไม่อาศัยบุคคลคือพระพุทธเจ้าไม่อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่สามารถที่จะพ้นทุกไปได้คือไม่ใช่ฐานะไม่ใช่วิสัยท่านไปถึงท่านก็บอกเลยไม่เป็นไปไม่ได้ท่านไม่ไม่อยู่ในความสามารถของท่านเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ช่วยปลดเรื่องฆ่าพระองค์ด้วยเถิดเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาฟังฟังธรรมจบเขาก็บรรลุมรคผลเพราะฉะนั้นอตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าไปยังไงมายังไงแต่อาศัยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้า รู้วิธีการเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเขาฟังจบเขาก็เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปะระดับโสดาปติมรัสกฐาคามิมร์คอนาคามิมร์คและอรหัตตมร์สําเร็จเป็นพระอรหันต์ต่อหน้าพระพักร์พระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าไม่อาศัยพระพุทธเจ้าเขาจะเจริญโสดาปติมรคสําเร็จไหมไม่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะ จะเจริญสัมมาสกทาคามีมัคอนาคามีมกักอรหัตมักซึ่งอริยมักแต่ละองค์เนี่ยมีองค์ประกอบมีองค์เพราะมีองค์ที่เกิดร่วมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้เนี่ยมากเพะนั้นกัลยาณมิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เั้นพระพุทธศาสนาจึงสำคัญที่กัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดา ข, ของเราเนี่ยนะ อันนี้อุทาหอนที่หนึ่งที่บอกว่ากาลยานามิตรเนี่ยสำคัญมากอุทาหอนที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสถึงความถึงพร้อมด้วยองค์ภายนอกเนี่ยนะองค์ภายนอกที่ทําให้เกิดปัญญาเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสแกพิสูุนทั้งหลายว่าภิสูจทั้งหลายเมื่อทําสิ่งภายนอกที่นับว่าเป็นองค์แล้วเราไม่พิจารณาองค์อื่นแม้สักองค์เดียวที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างนี้เหมือนความเป็นผู้มี มิตรงามมีสหายงามเนี่ยนะการมีมิตรงามมีสหายงามเนี่ยนะเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อย่างแท้ จ, จริงเป็นไปเพื่อประโยชน์คือมรรคผลนิพพานเนี่ยนะันกาลยานามิตรถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ที่ยิ่งใหญ่มากสำคัญมากเลยแหละเนี่ยนะันอิทธิพลของกาลยานมิตรเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตเลยนนะตกนรกถาวรหรือขึ้นสวรรค์ถาวนิรันดรหรือว่า จะอะไรนี่ก็อยู่ที่มิตรล้เพราะฉะนั้นคนที่เราเกี่ยวข้องคนที่เราครบหาสมาคมเนี่ยถ้าเราไม่ไม่รู้จักเขาดีพอเนี่ยเขาจะพาเราไปไหนเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าปาประมิตรทั้งหลายเนี่ยจะแสดงตัวในลักษณะกา ร, รยาณนะมิตรทั้งหมด น, นะถ้าคนที่เป็นปาประมิตรน่ยแมพเห็นหน้าเขาปับ๊บเขาจะฆ่าเราอย่างเดียวเลยเราจะคบเขาไหมไม่โอ้ ดีที่สุดเลยเนะี่ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นใครดีขนาดนี้เลยเนี่ยนะยอมรับแม้ความลําเลิศความประเสริฐเก่งจริงๆนะเนี่ยนะทุ่มเทเอาในที่สุดเอาตอนหลังเอาทำไมไม่คิดอย่างนี้แล้วละ่ะเปลี่ยนความคิดไปแล้วเนะี่ยนะก็ไม่ดีจริงนะี่เป็นต้นเพราะะฉนั้นมิตรทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเลือกคบถูก ก, ก็เป็นเหตุใกล้ของการบรรลุมรรคผลถ้าเลือกคบผิดห่างอริยมรรคไปเรื่อยๆ ห่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นทางศีลสมาธิปัญญาห่างกุศลกรรมบทหนักที่สุดในห่างแม้กระทั่งห่างมนุษยธรรมเนี่ยนะก็กลายเป็นอัมมนุษย์เลยค่ะเนี่ยจะเป็นเป็นธรรมที่ไม่ใช่มนุษยธรรมไม่ใช่กุศลกรรมมบทก็กลายไปเจริญอกุศลกรรมบททั้งหลายเบื้องแรกก็ไม่ใช่นักมือเปื้อนบาปในที่สุดก็กลายเป็นคนมือเปื่อนบาป มือเปื้อนปานาทีบาตเปื่อนอาทินนาธานเปื่อนกาเมเปื่อนมุสาเปื้อนสารพัดเปื้อนเลยนะเพราะฉะนั้นมิตรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นองค์ที่เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ทําลายประโยชน์มากที่สุดเหมือนกันเนี่ยนะประโยชน์ของเราเนี่ยนะประโยชน์ของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือจะเสื่อมประโยชน์มิตรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นองค์ที่สําคัญมากถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกอะนะแต่ว่าพระ อ, องค์บอกว่าปัจจัยภายนอกอันดับหนึ่งเลยคือมิตร ปัจจัยภายในอันดับหนึ่งเลยคือโยนิสโสมนัสิการเนี่ยนะที่จะให้เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลอ่ะนะเป็นเหตุที่จะทําให้การประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญเนี่ยนะก็มีเหตุภายในกับเหตุภายนอกเพรา ะ, ะเหตุภายในเหตุภายนอกเนี่ยนะถ้าสําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะชาติสุดท้ายพาองอาศัยเหตุภายในอย่างเดียวถ้าสาวกทั้งหลายเน้นเหตุภายนอกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเนี่ยเชื่อเถอะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามท่านเน่ยนะ ยังไงท่านก็ไม่อยู่กับเราแน่นอนท่านไม่บอกเราหรอกเชื่อเถอะ น, นะเขบอกว่ายิ่งแบบพระในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยนะสมมติว่าอยากเข้าไปอาศัยครัวาจานเนี่ยถ้าเราเองไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะท่านไม่ให้อยู่กับท่านหรอกหรือไม่ท่าไม่เราไม่จากท่านท่านก็จากเราอะ่ะมีอยู่สองอย่างแค่นั้นอะ่ะเพราะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีการเข้ากันพานกรรกับบัณฑิตจะไม่มีการเข้ากันเว้ไว้แต่ว่าต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งโอนไปหาอีกฝ่ายหนึ่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการพบกันเครึ่งทาง50 50ไม่มีมีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งโอนไปอีกฝ่ายหนึ่งแล้วพยายามปรับปรุงเนี่ยมันก็ต้องมีสองอย่างอันนี้ว่าใครจะโอนหาใครถ้าคนพาลเนี่ยโอนไปหาบัณฑิตก็แปลว่าหรือไม่ก็บัณฑิตทั่วไปเนี่ยถ้าบัณฑิตไม่ดีจริงก็โอนไปหาคนพาลก็ดูว่าใครโอนไปหาใครแต่ถ้ามีการโอนไปหากันก็ยังเกี่ยวข้องกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งโอนไปหาอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแยกกัน ฉันใดอันนี้เป็นปกติวิสัยเป็นธาตุเนี่ยนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายคบกันตามอัธยาศัยหรือคบกันตามธาตุเนี่ยนะพันสัตว์ผู้มีอัธยาศัยเลวเนี่ยก็จะคบคนที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์ที่มีอัธยาศัยดีก็จะคบกับคนที่มีอัธยาศัยดีอดีตการที่ผ่านมาเนิ่นนานขนาดไหนก็ตามสัตว์ทั้งหลายคบกันตามอัธยาศัยคบกันตามศีลและคบกันตามทิฏฐิ ศีลดีคนมีศีลก็คบกับคนมีศีลคนทู่ศีลก็คบกับคนทุศีลเนี่ยนะคนมีมิจฉาทิฐิก็คบกับมิจฉาทิฐิสัมมาทิฐิก็คบกับสัมมาทิฐิเนี่ยนะของเราก็หวังว่าถ้าเราคบพระตรปิฎกอย่างเดียวนี่ก็คงคบผู้ที่มีทั้งศีลสมาธิปัญญาวมีทุกอย่างเลยเนี่ยนะก็ขอให้ได้คบพระไตรปิฎกเนี่ยนะจริงก็ก็คบอ่ะนะถ้าเป็นรูปเล่มตอนหลังเขาก็จัดจําหน่ายพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้ได้ศึกษาก็เล่มไม่แพงอ่ะนะ ก็น่าจะได้คบท่านบ่อยๆก็น่าจะได้อ่านได้อะไรนะจริงไปไหนก็เอาท่านไปด้วยก็ได้เนี่ยนะเไปเล่มเล่มอเป็นเล่มๆมานะไม่ต้องยกตู้หรอกนะแบกไม่ไหวเราเอาไปทีละเล่มนะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะนะแล้วก็จะเจริญเขาบอกบางคนเขาอกูอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องหรอกบอกถ้าฟังพระพุทธเจ้าสอนนละไม่รู้เรื่องมันก็หมดแล้วละว่างั้นเถอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ไม่ว่าใครจะเก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าอนะีกแล้วถ้าเราอ่านพระพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามรรคผลเป็นต้นอ่ะเป็นยังไงควนควายแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยบุญน้อยจริงๆเลยแหละเชื่อได้เลยแต่ว่าถึงอย่างนั้นถึงอย่างนั้นก็เถอะเราก็ต้องโอนไปหาท่านน่ยนะก็สมัยก่อนเอสมัยใหม่เนี่ยไปเห็นต้นโพเนี่ยไม่เห็นคำสอนขนาดนั้นก็ยังกราบยังไหว้เลยเนี่ยนะ ไปเห็นต้นไม้เห็นพระเจดีย์เห็นพระบรมสารีริกธาตุเรายังกราบยังไหว้เลยการที่เราได้พบเห็นคําสอนเนี่ยนะการที่เราใส่ใจมนณสิการเรียนรู้ตามเพื่อการตรัสรู้อันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่อยู่แล้วละเนี่ยน ะ, อ, ะอันดับแรกเขาบอกว่าที่ที่ผ่ากล่าวไปแล้วเนี่ยว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ในย่าที่สองบอกว่าการปัดองค์ภายนอกปัจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือกาลยานามิตร นะสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เนี่ยนะแล้วก็อย่างที่สามกัยาณในมิตรเนี่ยเป็นสันเลขธรรม